เรา낭ภาวนากันให้เวลากับการภาวนาเราไม่มีความรีบเร่งจะต้องไปทุรประพังอะไรอย่างอื่นไม่มีเหมอะให้ย่างเดียวความเป็นใหญ่กับการภาวนาอย่าไปส่งไปนู่นไปนี่อย่าไปส่งไปหน้าไปหลังจิตใจนะอย่าไปส่งห่วงนู่นห่วงนี่อะไรจะยิ่งใหญ่ เท่ากับการฝึกฝนอบรมจิตย่อกองไม่มีจะดีได้เพราะการฝึกฝนอบรมจิตคนเราอยู่ ซ, ซ, ซื้อวันคืนล่วงไปไม่ฝึกฝนอบรมจิตย่อกองปล่อยให้จิตดำปี๋อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็บน่นแต่ว่าทุกทุกทุ ก, ทกไม่พยายามทําจิตให้ได้รับความสงบให้เกิดอุบายรอบรู้หาเหตุที่มันทําให้เกิดความทุกข์นั่นแหละ มันสำคัญเพื่อที่จะดับกองทุกข์นั่งฟังไปภาวนาไปคําพูดเกี่ยวกับเราธรรมะมันเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจคนเรามีโอกาสหลงมีโอกาสเพลินมีโอกาสหล ง, ม, ลงมีโอกาสลืมลืมตัวหรืออะไรในโลกไม่สําคัญเท่ากับการลืมตัว ลืมตัวลืมตนลืมเป็นลืมตายนักนักเข้าลืมข้อปฏิบัติลืมคุณงามความดีลืมความประพฤติลืมการตั้งใจประพฤติลืมการตั้งใจปฏิบัติอันนี้สําคัญที่สุดเราฟังดูแต่หลวงตาท่านเทนเรื่องการเจริญการเสื่อมเรื่องการต่อสู้กับธรรมะขั้นต่างๆนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นกลางขั้นกามราคะฟังดูติ ตลอดไปถึงชั้นสูงสุดแต่เทศกันนี่เขาเอามาลงไม่หมดต้นฉบับไม่หมดแต่ในหนังสือท่านเขียนเพิ่มหลวงตาท่านเขียนเพิ่มเข้าไปอียใครไปอ่านดูในหนังสือจะมีคําที่ท่านเขียนเพิ่มเข้าไปอีกในต้นฉบับ แ, แท้ๆนี่ฟังไปแล้วก็ไปจบห้วนๆแบบที่เราฟังนี่แหละแต่ถ้าไปดูในหนังสือนี่ท่านจะเขียนเพิ่ม ยิเพิ่มไปจนจบเราฟังไว้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจเป็นเครื่องช่วยทําให้เรามีกําลังใจว่าขนทางนี้วิธีนี้อุบายปฏิบัติอย่างนี้มีได้เป็นได้และเป็นไปได้แล้วเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แล้วท่านถึงแล้วพวกเราได้ยินได้ฟังอย่างน้อยก็ได้กลือน้ําลายตามท่านก็นอย่างดี พอตั้งเป็นคลุยหมายป้ายทางเอาไว้เพื่อที่จะได้ตั้งออกตั้งใจเดินไปตามท่านไม่งั้นมันไม่มีอะไรเป็นเข็มทิศทางเดินไม่มีอะไรเป็นกำลังใจในการที่จะเดินที่จะปฏิบัติมองเห็นเป็นเรื่องสุดวิสัยสุดวิสัยสุดวิสัยแล้วก็ไม่ทําแต่กิเลสมันไม่เห็นบอกว่ามันสุดวิสัยมันกระซิบกระซาบให้เราตื่นเนื้อตื่นตัวไปตามมันทุกระยะทุกเวลาทุกนาตีทรงชิดให้เพลิดเพลินไปกับโลกกับสงสารไม่มีที่สุด และไม่มีประมาณด้วยซ้ำไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วแต่มันจะกระซิบกระซาบไปน้องกระซิบกระซาบไปนี่กระซิบกระซาบไปกับอะไรก็ดูไม่เคยตามย้อนตามดูกับมันปล่อยให้มันมันดึงมันชักมันลากมันดึงไปฝ่ายเดียวอเราต้องหมุนเข้ามาข้อหาข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติท่านั้นที่จะหมุนจิตของตัวเราเองเนี่ยมาไปจันหน้ากับมัน พอที่จะเห็นตัวมันบังเห็นเงาเริ่มเห็นเงาจะเห็นเงาไปก็จะเริ่มเห็นตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหยาบคายตัวละเอียดขนาดไหนเราก็จะเริ่มเห็นเห็นที่ไหนเห็นที่ใจนั่นแหละย้อนไปที่ใจจะเห็นที่ใจถ้าไม่ย้อนไปที่ใจก็ไม่เห็นที่ใจทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนั่งนอนไม่ยอมย้อนมาดูไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็หลอกเราฝ่ายเดียว มันแหละพานึกพาคิดพาปรูพาแต่งแล้วก็พาเราเพลินพาเราหลงไปกับที่มันนึกมันปรุงมันแต่งไปทุกระยะทุกเวลานั่นแหละเราก็เพลินไปตามมันไม่เคยย้อนมาดูถ้าหากเริ่มปฏิบัติหรือตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ย้อนเข้ามาก็าจะเห็นบ้างเห็นอย่างน้อยเห็นรังลอกของมันเห็นเงาของมันแล้วก็ตามไปเรื่อย S <S <an> เห็นเงาของมันกตามพระเได้กลิ่นของมันตามพระเรเห็นตัวของมันมันปรากฏที่ใจพอมาถึงตรงนี้เราจะต้องมาอยู่ท่ามกลางสมรภูมิในการสู้รบกันนั่นแหละจะต้องหมุนมาที่กายนี่ที่เวทนานี่ที่จิตนี่ไม่หมุนมาไม่เห็นดอกไม่หมุนมาไม่เห็นไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่รู้จะเหยียบตรงไหนไม่รู้จะยืนตรงไหนไม่รู้จะย่างตรงไหนไม่รู้จะทางานตรงไหน เราพูดอย่างนี้เราก็จะสับสนวุ่นวายเราพยายามกาหนดมาที่จิตให้จิตได้รับความสงบย้อนมาที่จิตมากํำกับอยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรือกํำกับด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธกลมกลาอยู่อย่างนั้นแหละให้จิตได้กำลังใจให้จิตหลับให้จิต อิ่มอยู่กับอารมณ์ที่เรากล่อมเขานั่นแหละคือหายใจเข้าเราก็ดํารีพุทธหายใจออกเราก็ดําริโทโทพุทโทพุทธโ ท, ท, ท, ท, ท, ทอยู่นี่แหละไม่เปลี่ยนอารมณ์ท่านทั้งหลายลองไม่เปลี่ยนอารมณ์ดูถ้าเข้าใจคําว่าไม่เปลี่ยนอารมณ์เราก็จะกำกับจิตของเราให้ได้รับความสงบเร็วขึ้นจิตของเราเวลามันสงบแล้วมันไม่เปลี่ยนอารมณ์นะมันอยู่กับอารมณ์เดียว ทีนี้ถ้าเราทรําบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าจิตมันเชื่องจิตมันเชื่องเราก็ UE, กําหนดกึ๊บมากับอารมณ์ที่เราเคยเข้าถึงมันก็สงบได้อย่างรวดเร็วหรือไม่เราก็มาจับคําว่าเราไม่เปลี่ยนอารมณ์ไม่เปลี่ยนอารมณ์ไม่เปลี่ยนความรู้สึกเราพูดคําว่าอารมณ์เขา้าใจยากเราใช้คําว่าไม่เปลี่ย น, gy, ค, วยนความรู้สึกความรู้สึกยังไงเราก็จับความรู้สึกตัว น, นั้นแหละ ลมหายใจเข้าเรากําหนดพุทมันรู้สึกยังไงเราก็จับต่อเนื่องหายใจเข้าหายใจออกพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธบางทีไม่กี่ครั้งซ้งําหายใจเข้าหายใจออกไม่กี่ครั้งโยแล้วอยขึ้นนึ่ ง, งเ่ะจิตมันอยู่คขึ้นหนึ่งเลยมันไม่เปลี่ยนความรู้สึกแต่ถ้าเราทํามาหนึ่งๆทํามาบ่อยๆครั้งจิตของเราก็ อ, อ่อนจิตของเราก็อ่อนมันก็อยู่ได้ง่ายจิตในระับความสงบก็อยู่ได้ง่าย นี่ได้รับความสงบมันสงบโดยเหตุที่เราบังคับหรือสงบได้ห้วภาพลงสู่ความสงบได้เองก็แล้วแต่จริติศแล้วแต่นิสัยของเราข้อสําคัญก็คือตั้งความมุ่งมั่นเอาไว้ไม่ปล่อยไม่ทิ้งคําบริกรรมไม่ปล่อยคําบริกรรมไม่ทิ้งความรู้สึกไม่ปล่อยความรู้สึกให้ทําความรู้สึกอยู่กับอารมณ์เดียวฟังให้เข้าใจและจับไปทําลองดู จิตของเราจะได้รับความสงบสงบมากสงบน้อยขนาดไหนก็ปล่อยเขาสงบไปทําเรื่อยๆทําบ่อยๆ บ, บ, บ่อยครั้งเข้าจนชินจิตใจก็อ่อนจิตใจก็น้อมจิตใจก็นิ่มจิตใจไม่แข็งจิตใจไม่กระด้างความเอิบอิ่มก็อยู่ด้วยกันความสงบก็อยู่ด้วยกันความสุขก็อยู่ด้วยกันความเป็นอารมณ์เดียวก็อยู่ด้วยกัน อันนี้เป็นผล พ, นพื้นจากความสงบที่เราจะพึงได้รับเราไม่ต้องสับสนไม่ต้องวุ่นวายท่านจะพูดท่านจะเทศท่านจะมากเมืออย่างน้องตาลเรามีเทศเราเปิดฟังทั้งวันทั้งคืนทั้งเทศเราฟังทั้งวันทั้งคืนนั่นซีดีท่านเทศของท่านไปเราก็ฟังไปแต่เราทาความรู้สึกอยู่กับผู้รู้ยับยับยับยบยบย บ, ย บ, ยบ จิตใจมันก็สงบสติอยู่กับเนื้อกับตัวสัมผัสัญญาอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาก็อยู่กับเนื้อกับตัวจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิก็อยู่กับเนื้อกับตัวเวลามันสับประสานกันแล้วเนี่ยแล้วแต่เราจะว่าเราว่ายังไงมันก็ใช่อย่างนั้นทั้งหมดยาวไม่บังคับให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวย้อนมาให้ันรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวทงความสงบอยู่กับเนื้อกับตัว จากนั้นแล้วเวลาเขาอิ่มตัวค่อยๆพิจารณาเข้าไปพิจารณาก็คือย้อนมาพิจารณาที่จิตนั่นแหละย้อนมาพิจารณาที่จิตพิจารณาอยู่กับที่พิจารณาอยู่เฉพาะที่พิจารณาอยู่กับที่ไม่ใช่ทรงจิตไปตามความดําริที่เราดําริดําริว่ากายเราดําริว่ากายท่านดําริว่าอันนี้จังดําริว่าทุกขังอนัตตา เราจะดำริกตรงนี้เราทําความรู้สึกอยู่ตรงนี้อยู่กับตัวเนี่ยไม่ไม่ส่งไปที่นู่นเช่นอย่างเราจะตั้งรูปปณิมิตขึ้นมาก็ตามรูปปณิมิตก็คือรูปจะเป็นรูปหญิงก็ตามรูปชายก็ตามเราตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาเราตั้งกระทําความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตที่นี้ไม่ใช่ตั้งอยู่ที่นู่นแล้วก็ไปทําความรู้สึกอยู่ที่นู่นหรือเรา จะตั้งสติในการพิจารณามันจะเห็นรูปด้วยตาก็ตามได้ยินเสียงด้วยหูก็ตามได้กลิ่นด้วยจมูกได้รส้วยลิ้นได้สัมผัสก็ตามแต่มันจะมีความรู้สึกอยู่ที่จิตอยู่เฉพาะจิตไม่ส่งไปตามอารมณ์เช่นอย่างตาเห็นรูปมันก็ไม่ส่งไปที่รูปทำความรู้อยู่เฉพาะที่นี่ ทความรู้อยู่เฉพาะที่นี่อันนี้หมายความว่าอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอารมณ์ในปัจจุบันแต่ถ้าหากอารมณ์ที่เป็นสัญญาที่ล่วงไปแล้วอารมณ์เก่าดับไปแล้วแต่เราน้อมลึกมาพิจารณาเป็นเรื่องสัญญาเป็นรูปปฏิมิตรรูปปฏิมิตรเรากำหนดว่าอะไรรูปมันก็ปรากฏขึ้นแต่ให้รู้เฉพาะ อยู่ที่กายนี่ทำความรู้สึกอยู่ที่กายนี้ทำความรู้สึกอยู่ที่จิตนี้แล้วก็ดำริกับโรคต่างๆเหล่านั้นแล้วลก็พิจารณาเข้าไปมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ไม่ทําให้เราหลงเพลินแล้วก็เผลอเวลามันเผลอมันช่วงระยะเวลานิดเดียวแป๊บเดียวชั่วเส้นผมบางภูเขาแป๊บเดียวพลิกแป๊บเดียวอวิชชามาพริกแป๊บเดียวทําให้วิชาเราดับ มันเกิดความมืดมาที่จิตแป๊บเดียวเนี่ยมันดึงไปแล้วมันลาบไปแล้วมันปรุงไปแล้วมันรวดเร็วมากขนาดนี้เราพยายามทาความรู้สึกอยู่กับตรงนี้ทาความศึกษาอยู่กับตรงนี้ทาความรู้เท่าทันอยู่กับตรงนี้นี่เป็นการพิจารณาเพื่อจิตเราอยู่เพื่อไม่ให้จิตเราไป น, นี่ก็เป็นเหตุทำให้จิตอยู่กับที่อยู่กับความสงบอยู่กับเนื้ อ, อยู่กับตัว ก็ทําให้เรารู้ได้รู้ทันรู้ได้รู้ทันอะไรรู้ทันตัณหาตัณหาที่มันจะมาหลอกจิตเราไปเนี่ยจะเป็นรูปก็ตามเป็นเสียงก็ตามเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็ตามถ้าเราทําความรู้เท่าทันอยู่อย่างนี้มันเห็นความอยากที่มันแสดงออกขึ้นมาความอยากอยากไม่รูปแสดงความอยากออกมาปั๊บเรารู้ทันแล้วจับได้มันก็ดับแสดงความอยากขึ้นมาปั๊บเรารู้ทันมันก็ดับ แสดงความอยากขึ้นมาในจิตปั๊บเรารู้ทันก็ดับ ใ, ในเสียงในรูปในกลิ่นในความสัมผ cam, ัสก enfin ็ตามแสดงความอยากขึ้นมาปั๊บเรารู้เท่ารู้ทันก็ดับความยาอยากเกิดขึ้นกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนะความอยากมันเกิดขึ้นความอยากก็คือกิเลสนั่นแหละความอยากกามตัณหาความอยากตัญหาคือความอยาก ความทยานอยากความทะเยอทะยานของจิตความลิ้นรนของจิตความแสหาอารมณ์ของจิตนี่คืออํานาจของตัณหาแปลว่าความทยานอยากอันนี้แหละเป็นตัวนําของกิเลสเป็นตัวรากแก้วเป็นตัวต้นตัวต่อของกิเลสแท้ๆที่ผลิตขึ้นมาที่จิตแฝงมาที่จิตดูที่ไหนไม่เห็นดูที่จิตเห็นดูให้เห็นความอยากความอยากตัวนี้แหละเป็นตัณหาความอยากตัวนี้แหละเป็นสมุทัยเกิดที่จิต มันจะเกิดต <äd God> <ints> อนไหนเกิดตอนเวลาตาเห็นรูปเวลามันจะเกิดมันเกิดที่ตามันเกิดก็เกิดที่รูปเกิดก็เกิดที่วิญญาณคือความกระทบตากับรูปมันจะเกิดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดที่อื่นท่านพิจิงว่าตัณหาจะเกิดก็เกิดที่ตาตัณหาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาตัณหาจะดับก็ดับที่ตาตัณหาจะเกิดก็เกิดที่รูป จะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปจะดับก็ดับที่รูปเพราะตากับรูปมันเป็นทวารมันเป็นช่องที่ใจออกมารับรูร้ข้างนอกเมื่อใจออกมารับรูร้ข้างนอกอะกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาตามนี้แหละเกิดขึ้นทางตาเกิดขึ้นทางรูปทีนี้เมื่อเราละเราก็จะละทางตาละตันหาที่ตาละตันหาที่รูปอืม เมื่อมันดับไปก็ดับไปที่ตาดับไปที่รูปเนี่ยคือเราย้อนมาเพื่อให้เห็นสาเหตุเห็นต้นต่อของมันที่มันเกิดขึ้นจากนั้นแล้วท่านให้พิจารณารูปพิจารณารูปพิจารณารูปข้างนอกก็พอทําเนาให้เรามาพิจารณารูปข้างในเช่นอย่างอัต ภ, ภาพร่างกายของเราท่านให้พิจรารณาถ้าเราไม่พิจรนารณาเราหลงมันเช่นอย่างเราหลงกายของเราเกากายของเราแท้แท้เนี่ย เราอยู่กับมันมาตั้งแต่วันเกิดเนี่ยผมขนแล้วฟันหนังเนี่ยหนังบางทีก็หลงหนังของตัวเองเห็นตรงนี้อ้วนตรงนั้นพีตรงนี้ขาวตรงนั้นพ่องเล่นหลงกับร่างกายของตัวเองนี่คือการที่เราไม่พิจารณาการไม่พิจารณาทําให้เราหลงหลงหลงจริงๆหลงแน่ๆเราดูที่ใจของเราเราจะเห็นว่าเราหลงหลงตัวของตัวเราเอง หลงอะไรเข้ามันอ่ะหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังพอหลงแล้วมันไม่เห็นของจริงพอหลงเข้ามาแล้วมันไม่เห็นของจริงมันเห็นว่าผมงามแท้จริงผมก็ศัพทว่าผมเป็นอาการอย่างหนึ่งของกายของเราดูไปที่สีก็ดำดูไปที่กลิ่นก็เหม็นสาบผมขนก็เช่นเดียวกันขนอยู่ตรงไหนยิ่งขนตรง ช็กแลตโดยแล้วเนี่ครับเป็นคนที่เหม็นสาบเพราะมันคลุกเคล้ากับน้ําเหงือ่ะมันอบมันหมักมันหมมทําให้มีกลิ่นบูดมีกลิ่นสาบมีกลิ่นสารนี่คือเนื้อแท้ของมันอด้วยเหตุที่เกลี่ยมบางเรามองไม่เห็นเรากำลองหองขนว่าขนงามเล็บว่าเล็บงามโอ้ยทะนุถนอมกลัวเล็บจะหักกรอเล็บจะบินดูไันแล้ว เรียวแลมงามเล็บงามหลงมันเฉยๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้พิจารณาเนะล็บมันก็ศรรัตว์วัตเล็บท่านเองมันลุ่มันงามเอาอะไรไปให้มันงามบางทีก็แต้มสีเข้าไปแล้วก็หลงสีที่เราแต้มนะั้นแหละเราแต้มเข้าไปแล้วก็หลงสีว่ามันงามดูเราดูความรุ่มหลงของตัวเราเองถ้าเราดูให้เห็นเราดูให้เข้าใจเราดูให้เห็นความรุ่มหลงของตัวเราเอง เราจะสลดใจเราจะสังเวชใจเราจะเห็นความโง่ของเราเองนี่เนื่องจากเราไม่พิจรารณาเราหลงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณากายการที่เราพิจารณาเพื่อตัดกระแสของปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับกายเนบฝันหนังฟันก็ว่าฟันงามหนังก็ว่าหนังงามหนัง แท้จริงสิ่งที่อยู่บนหนังท่านว่าผิวคือผิวหนังเห็นหนังหนังมันก็ครอบคลุมอัตภาพร่างกายเน่ยตั้งแต่ศีรษะไปไปจะถึงพื้นเท้าตั้งแต่พื้นเท้ามาจนถึงศีรษะมาที่ฝ่ามือมาที่ลําแขนมาที่ลําขาตลอดมาทั่วลําตัวมันมีหนังหนังตรงไหนที่มันอยู่ตากแดดสักหน่อยหนึ่งมันก็กรด้างก็ด้างมันก็ดำดำ ตรงไหนมันอยู่ในที่ร่มๆปิดๆบางๆสักหน่อยอมันก็เป็นหนังอ่อนๆมันก็เป็นหนังขาวๆมันก็เป็นหนังนวลๆดูไปแล้วก็เพลินแล้วก็หลงหลงตัวเองนี่คือหลงแท้จริงก็คือหนังก็คือผิวหนังนี่ถ้าเราไม่ดูเราหลงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราย้อนพิจรารณาถ้าเราไม่ย้อนพิจรารณาให้เราหลงเมื่อเราหลงตันหาก็เกิดเมื่อตันหากเกิดนั่นแหละคือความหลง เมื่อเราหลงตัณหาเกิดตัณหามันเกิดว่าไงมันเกิดว่ากายเรากายของพวกเราแล้วเพลินหลงติดต่อกันเป็นยืดยาวไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเลยมีการยึดวันเราตรงไหนงามเราก็ยึดตรงไหนไม่งามเราก็ไม่ชอบใจเออตรงนั้นน่าจะงามตรงนี้น่าจะงามไม่ชอบใจไม่พอใจนี่มันเป็นเรื่องพิษสูงของตัณหาทั้งนั้น เมื่อหลงตัวเองแล้วก็หลงคนอื่นหลงบุคคลอื่นหลงสิ่งอื่นสิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้รับความทุกข์ตามมันอยู่เนืองๆได้รับความทุกข์อยู่เนืองๆทีเดียวเราไม่ตามดูให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเราคิดว่าเราเพลินเราคิดว่าเราพอใจเราคิดว่าเราพึงใจแท้จริงคือความทุกข์ใจความทุกข์ใจจากการลุ่มหลงกับตัวเราเองเวลาสิ่งเหล่านี้มันเสื่อมมันเสีย มันไม่เป็นไปตามที่ใจเราหวังใจเราเห็นที่ดีที่งามที่ชอบเราก็ทุกใจเข้ามานี่อัตตาปรงกายอันนี้แค่ผิวข้างนอกนั่นเองจากนั้นแล้วมันเสื่อมไปมันสิ้นไปข้างในเราไล่เข้าไปสิผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาการยี่สิบเนี่ยเป็นอาการของธาตุดินท่านจึงให้พิจารณาเป็นธาตุ ท่านจึงให้พิจารณาเป็นอาการท่านจึงให้พิจารณาแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะก็คือเราไม่ได้ย้อนมาดูนเมื่อเราไม่ย้อนมาดูตัณหามันก็เกาะเกาะใจมันเกิดที่กายนี่กายนี่ก็เป็นรูปรูปกายเป็นรูปทั้งสิ่งที่เป็นที่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นรูปทั้งทั้งที่เราครองอยู่เราทรงอยู่เดี๋ยวนี้เรามีความรุ่มโรอยอยู่อย่างนี้แหละตัณหามันเกิด อ, อย่างนี้ ถ้าเราย้อนมาพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆทําให้สติเราดีขึ้นปัญญาเราดีขึ้นเวลาตัณหามันเกิดสติของเราก็ไวสมิธัญญะของเราก็ไวทำความรู้ตัวทันทำความระลึกรู้สึกทันมันก็ดับทำความระลึกรู้สึกทันมันก็ดับนอกจากดับแล้วเราก็ไปค้นดูค้นดูค้นดู พ้นดูจึงเห็นความสกรปรกโสโครกเสร็จแล้วมันก็เกิดสลดเกิดสังเวชเกิดความเบื่อหน่นายทําให้จิตใจเราใสสว่างขึ้นมามองเห็นทะลุปลุโปรในตัวเองมองเห็นตามที่มันมีจริงตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่มองเห็นด้วยความกําหนักมองเห็นด้วยความยินดีมองเห็นด้วยความเพลิดเพลินตามที่เจหล็กมันเจียกสันปั้นแต่งให้เราให้เรามองเนี่ยร่างกายของเราเรามีโอกาสที่จะลุ่มหลงกับมันได้ ไม่ว่าเราไม่ว่าท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องสับสนเราไม่ต้องวุ่นวายภายในหัวใจของเราเราทําใจให้สงบแล้วก็ย้อนจิตเข้ามาพิจรารณาพิจารณาตามที่อธิบายเนี่ยพิจารณาเพื่อให้เห็นให้รู้ให้เห็นการที่เราพิจรารณาอัตภาพร่างกายมันเป็นการกําหนดดูกองทุกร่างกายนี้เป็นกองทุกข์เพื่อที่จะเห็นเหตุของมันคือสมุ ท, ทยัย สมุทัยที่ล่วงไปแล้วสมุทัยที่กําลังเป็นอยู่สมุทัยที่กําลังจะเป็นมาพร้อมที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของเราคือตัณหาเนี่ยในเมื่อเราย้อนมาดูย้อนมาเรื่อยๆย้อนมาหนืองๆย้อนมาบ่อยๆมันเป็นตะปะธรรมตะปะธรรมตัวนี้มันจะคอยแผดเผาความอยากความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจนี่แหละเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นตอของมัน เมื่อเรามีกำลังมากเข้าเราก็พร้อมที่จะถอดได้ถอนได้ดึงได้สลัดสลัดสลัดปล่อยวางปล่อยได้วางได้เนื่องจากเราเห็นไม่ใช่เราตั้งใจปล่อยเราไม่ต้องตั้งใจปล่อยถ้าเราพิจารณาย้อนมาดูเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นต่อของมันแล้มันก็สงบระงับดับไปพราะมันเองเพราะการย้อนมาทางนี้มันเป็นตปัธรรม สติพร้อมสัมปชัญญะพร้อมสมาธิพร้อมปัญญาพร้อมเห็นเรื่อยๆเห็นเนืองๆเห็นบ่อยๆจนกลายเป็นปัญญาญาญยังรู้ยังเข้าใจยังทราบอย่างเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงเป็นประจักษ์พยานในหัวใจของเราไม่มีใครมาบิดมาเบือนกิเลสตัวไหนไม่ไมาสามารถมาบิดมาเบือนได้เห็นตามเป็นจริงนี่แหละท่านเรียกว่าเห็นสภาวะธรรมที่ท่านเรียกว่าเห็นธรรม เห็นยังไงคือเห็นทันหามันเกิดเห็นตันหามันเกิดไย้อนย้อนไปย้อนไปจนเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นต่อของมันมันก็ดับตัวนี้แหละเป็นตัวร้กามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าต่กตอกบกับมันหนักๆเข้าจนมันกําลังมันอ่อนลงไปและมันดับลงไปเป็นขั้นเป็นภูมิเป็นชิ้นเป็นส่วนตามขั้นตามภูมิเราหากเบาอกเบาใจของเราเอง ดู้ด้วยตัวของตัวเราเองที่เขาเรียกว่าปัจจตังปัจจตังที่คือการปฏิบัติธรรมเราไม่ย้อนมาดูไม่เห็นดอกยิ่งวันทั้งวันเราไม่ไม่เอาข้อปฏิบัติมากำกับจิตใจด้วยแล้วแล้วกหลงเพลินไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่รู้อยู่ไงเมื่รู้วันคืนโลงไปไม่รู้จะได้อะไรก็รู้ว่าไม่ได้อะไรแล้วก็อยู่ลอยๆไปอย่างนั้นเองไม่ตั้งใจที่จะย้อนมาดูไม่ตั้งใจที่จะย้อนมาพิจารณา ไม่ตั้งใจที่จะภาวนาเนี่ยทั้งสมถะคือทําจิตให้สงบทั้งพิจารณาเกิดความรอบรู้ที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาหรือพูดง่ายๆคืสมาธิแล้วปัญญานี่แหละคือเครื่องไม้เครื่องมือคือวิธีการที่เราย้อนมานึกมาคิดมาพิจารณาเพื่อทําลายความลุ่มหลงของตัวเองราคะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไร เกิดขึเพราะเราหลงมันคำว่าหลงก็คือเรารู้ไม่จริงถ้าเรารู้จริงท่านว่าไม่หลงเพราะเหตุที่เรารู้ไม่จริงนั่นแหละเราถึงหลงทําไมเราถึงรู้ไม่จริงเพราะกิเลสมันหลอกเรามันปิดเรามันบังเรามันพรางตาเรากิเลสมันพรางตาเราอะไรคือกิเลสความอยากนั่นแหละมันบังตาเรามันพรางตาเราย้ำมันอยู่ตรงนี้แหละ ย้ำไปย้ำมาย้ำมาย้ำไปย้ำไปย้ำมาย้ำมาย้ำไปย้ำจนเกิดดวงปัญญาเกิดขึ้นมาเราจะตามมันได้ทุกทุกซอกทุกมุมตามมันได้ทุกแง่ทุกมุมมีอุบายมีวิธีตามมันได้ทุกแง่ทุกมุมที่มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นเราก็ตามมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นเราก็ตามพอถึงตัวมันมันก็สลายไปตามไปตามไปถึงตัวมันมันก็สลายไปถึงตัวมันมันก็สลายไป สลายแล้วสลายแล้วสลายแล้ ว, ส ล, ลวสลายอีกมันก็เบาไปมันก็จางไปมันก็เหือดแห้งไปแล้วก็หมดไปจากขันทันดานของเราเป็นที่สุดอันนี้คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปได้มีได้เป็นไปได้ตามข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เราร่มหลงร่มหลงเพราะเรารู้ไม่จริงเมื่อเรารู้ไม่จริ ง, เ, งเราก็เราก็หลงถ้ารู้จริงก็คือรู้หลักสักจธรรม มันมียังไงมันเป็นยังไงเราก็รู้อย่างนั้นแล้วก็เราไม่หลงเราไม่หลงเห็นก็สักแต่ Stacy ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินคือมันไม่ดีใจมันไม่เสียใจมันไม่ยึดมาแล้วมันก็ไม่ผลักไปแต่ถ้าหากเห็นด้วยความรุ่มหลงแล้วมันเดี๋ยวมันก็ยึด ม, มายินดีชอบใจเพลินใจมันก็ยึดเข้าม า, มมาไม่ยินดีไม่เพลินใจไม่พอใจมันก็ผลักออกไปทั้งดึงเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปก็คืออํานาจของความหลง อำนาจของความลุ่มหลงรู้ไม่จริงโดยเหตุที่รู้ไม่จริงจ <de> <À S 1> ึงยึดเข้ามาเห็นว่าดิบว่าดีวิเศษวิโสเห็นไหมยึดตัวยึดตนยึดเรายึดท่านยึดสิ่งนู้นยึดสิ่งนี้เนื่องจากว่าเรารู้ไม่จริงเราเข้าใจไม่จริงเข้าใจไม่ถูกต้องตามที่มันมีมันเป็นดูให้เห็นตามที่เป็นจริงดูเห็นก็สักเทวะเห็นก็ปล่อยไว้ตามเดิมได้ยินก็สักเทวะได้ยินแล้วก็ปล่อยไว้ตามเดิม ได้สัมผัสกับสัตวว่าสัมผัสรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยไว้ตามเดิมตามสภาวะของมันมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นตามภาวะของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยกลโนบายวิธีมายาของมันเรามาจี้มาตรงนี้มา ย, ย้ำอยู่ตรงนี้เ่ยจนมันทะลุปลุกโผจนมันกระจัดกระจายที่มันเคยมืดๆทึบๆอยู่ในหัวใจกระจัดกระจายแตกแตกกระจายออกไปตามต้นมันได้ทุกทุกเงืินทุกเงาแนละ ตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆกูบาอาจารย์ท่านบอกแล้วถ้าเราจับถูกเราพิจารณาถูกเข้าใจถูกคล้ายๆว่าทำของเราเนี่ยมันติดเหมือนกับไฟติดกองแกลบนั่นมันจะไหม้ไปเรื่อยไหม้ไปเรื่อยไห ม, ม, ม้จนหมดกองฉันบอกไหม้จนหมดกองกองแกลบไหม้จนหมดกองแกลบกองกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันมันหลบมันซ่อนมัน เป็นเส้นเป็นสายเป็นเงื่อนเป็นงำอยู่ตรงไหนมันกับไหมเข้าไปเรื่อยไหมเข้าไปเรื่อยตามไปเรื่อยไหมเห็นเห็นเรื่อยตามไปเรื่อยเห็นเรื่อยตามเรื่อยเห็นเรื่อยเท่ากับว่าไฟไหมเข้าไปเรื่อยไหมเข้าไปเรื่อยไหมเข้าไปเรื่อยไหมไปจนหมดไปรู้ไปเห็นรู้เห็นไปจบรู้เห็นไปจบรู้เห็นไปจบรู้เห็นก็ดับรู้เห็นก็ดับรู้เห็นก็ดับตามต้อนตามรู้เข้าไปเรื่อยอเวลานั้นจบไปแล้วก็กลับมาให้สงบก็ทําให้จิตสงบ ไม่เปลี่ยนอารมณ์การที่เราพิจารณาทางห้าปัญญานะั้นหมายว่าเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจากอย่างนี้ไปอย่างนั้นเปลี่ยนจากอย่างนั้นไปอย่างนั้นตามตน้นตามรู้ไปให้เห็นตามหลักของสัจจ์แต่ถ้าเราต้องการให้สงบเราให้มันอยู่กับอารมณ์มันเดียวก็มัอยู่กับอารมณ์มันเดียวค่อนิ่งสงบอยู่นั้นอมันสงบความสงบของมนันก็ทําให้มันได้กํำลังได้กําลังได้ความอิ่มเอิบได้ความสุขได้ความชุ่มเย็นในหัวใจ คือการตั้งใจปฏิบัติวันคืนล่วงไปเราต้องมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญถึงจะเหมาะสมกับเพศกับภาวะของเราหากเรามีเหตุจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะต้องเกี่ยวข้องด้วยความฉลาดเราจะต้องตั้งหลักไว้ที่ใจของเราถ้ า, ามีสติมีสัมผัสชันยะอยู่ที่ใจเราก็จะได้ระมัด ร, ระวังเราก็จะได้ฉลาดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราก็ฉลาดกับสิ่งนั้น รู้จักวิธีการที่จะจัดการรู้จักวิธีที่จะชำระให้สิ่งเหล่านี้หมดไปสิ้นไปจากใจไม่คล่องไม่แวะไม่เกี่ยวไม่คล่องแล้วก็รู้จักจัดการสมมติเรามีธุระปะปังที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตมันก็ส่งไปให้กระชับติดแน่นกับหลักของสัจจะคือความเป็นจริงไม่ใช่ไปวาดไปเดาด้วยสัญญาอารมณ์สัญญานี่แหละมันเป็นเหตุที่จะทําให้กลียดมันแทรกเข้ามาได้ง่าย บางทีท่านพูดเรื่องนั้นะจิตเราก็ส่งไปก่อนแล้วส่งผิดส่งถูกไม่รู้ละส่งไปแล้วเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของจิตมันจะส่งไปตามสัญญาอารมณ์ส่งไปดาวไปคาดไปเข้าใจสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเข้าใจสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเข้าใจเข้าใจเน่ยเข้าใจผิดจากหลักความเป็นจริงทั้งนั้นบางทีก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นเกี่ยวข้องกับคนนี้คาด เดาอย่างนั้นคาดเดาอย่างนี้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้กับกิริยาการของคนคนนั้นของคนคนนี้เดาผิดคาดผิดสําคัญผิดเข้าใจผิดไปหมดกอบโกยกองทุกข์มาทับถมหัวใจของตัวเองอันนี้ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันแทรกเข้ามาทางสัญญาที่จิตคือสัญญาจิตเนี่ยมันพาคาดพาเดาเดาไปานั้นเดาไปานี้ เราคาดเองเราคิดเองเราคาดเองเราเดาเองเราหลงเองหลงกับความเดาของเราอะหลงกับสัญญารมณ์ของเราเองสัญญามันเกิดขึ้นที่ใจของเราเองเราก็หลงกับสัญญาของเราเองมันซ้อนแล้วซ้อนเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซ้ำซๆำซ้ำซอยู่นั้นเราดูเราดูเห็นเราดูให้เข้าใจนี่สาเหตุต้นตอที่จะแบกกองทุกข์เอากองทุกข์มาทับถมหัวใจของเรา เรารู้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้จิตใจของเราก็สงบนิ่งแล้วก็จะแนบแน่นกับหลักของสัจธรรมเพราะฉะนั้นการที่ทําจะให้ได้รับความสงบเมื่อเขเป็นธรรมะพื้นๆเป็นสัจธรรมพื้นๆอยู่ภายในจิตโอกาสที่จะพิจารณาสิ่งนู้นสิ่งนี้หเห็นเข้าถึงหลักของสัจธรรมมันก็เป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีจิตสงบทําจิตให้ได้รับความสงบถ้าเราพิจารณาไป ก็ม <stop> in er ีสติมีส <mort> ังผ <Kivol. S 2> ััญญากรรกับสติสมาธิปัญญากรรกับไปด้วยกันเพื่อไม่ให้เวทนามันหลอกไม่ให้สัญญามันหลอกไม่ให้สังขารมันหลอกไม่ให้วิญญาณมันหลอกไม่ให้รูปมันหลอกขันทั้งห้าเนี่ยมันพร้อมที่จะหลอกเรามันพร้อมที่จะหลอกเราเพราะฉะนั้นท่านเพงให้เราพิจารณาพิจารณาขันนี่แหละรัตนาในขันในแล้วก็พิจารณาไป ถนัดในกายล้วก็พิจารณากายไปถนัดในสังขารที่มันปรุงจิตล้วก็พิจารณาสังขารที่มันปรุงไปในจิตพิจารณาให้ให้รู้ให้เห็นให้เท่าให้ทันของมันไม่ให้สัญญามันหลอกสัญญามันพร้อมที่จะหลอกว่าสัญญาเป็นรูปรูปพร้อมที่จะเคลื่อนไปและหลอกเราให้เราเผลอเพลินไปตามมันที่ตา้งียกว่า ร, รูปปัญญารูปปัญญาเราหลับตาคิดเรื่องคิดราวปั๊บนึ่มันจะออกมาเป็นมโนภาพ หลอกไปเหมือนอย่างเราดูหนังนั่นแหละอ่านี่คือรูปกายมันหลอกรูปมันหลอกกิเลสมันแทรกมากับสัญญาและสัญญามันหลอกแต่ถ้าเรากำหนดสัญญาเป็นสัญญาอ่าสัญญาก็คือการจําได้การหมายการรู้การหมายเนี่ยท่านให้หมายเป็นธรรมะท่านไม่ให้หมายเป็นกิเลสเช่นอย่างหมายว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงหมายว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์ คือคาดเดาให้เห็นร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้ด้วยเหตุที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ท่านจึงให้ใช้อันนี จ, จะสัญญาทุกขะสัญญาอนัตตะสัญญาอือันนี้จะสัญญาอนัตตะสัญญาในสัญญาสิบทิพุลีเ จ, จ้าสอนพระอานอนท์พยานดูสัญญาสิบสุภสัญญาอย่างนี้ ปฏิกูลสัญญาสุภะสัญญาปฏิกูลสัญญาณิจจ์สัญญาอนัตตสัญญาสุภสัญญาสบะโลกะอนัพริรตสัญญา <c oughs> กำหนดหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงที่สบะโลกะอนัพริรตอนาตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน ทไมท่านจึงว่าไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราบังคับบัญชามันไม่ได้เมื่อเราบังคับบัญชามันไม่ได้ท่านจึงว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอะไรละ่ะเป็นสภาวะธรรมมันมีตามเหตุของมันมันมีตามปัจจัยของมัน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเหตุมีปัจจัยของมันทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดลอยๆยประเสริฐเหตุปราเสริปัจจัยเพราะฉะนั้นหลักของธรรมอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราพิจารณาจับผลย้อนมาพิจารณาที่เหตุจับผลย้อนมาที่เหตุเอาเหตุอย่างนี้เป็นมาเพื่อผลอย่างนี้นย่านี้แล้วก็จับพิจารณาเหตุอย่างนี้แล้วก็เป็นไปเพื่อผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจับผลอันนี้แล้วก็ย้อนมาที่เหตุอย่างนี้ จับเหตุย้อนไปที่ผลจับผลย้อนไปที่เหตุอันนี้เป็นเป็นอุบายเป็นวิธีเป็นข้อปฏิบัติในการพิจารณาเพื่อสาวหาหลักความเป็นจริงคือเหตุผลต้นต่อของมันเดี๋ยวนี้เราลุ่มหลงกันเพราะว่าเราไม่เห็นเหตุผลต้นต่อของมันเราจึงลุ่มหลงมันเราลุ่ลมหลงมันก็เพราะกิเลสมันพรางตาเราทําให้เรามองไม่เห็นสัจธรรม เมื่อไม่เห็นสัจธรรมก็คือไม่เห็นความจริงเมื่อเราไม่เห็นความจริงก็คือเราโดนหลอกโดนมันหลอกถูกมันหลอกทุกขณะจิตทุกวันทุกเวลานาทียืนเดินนั่งนอนไม่สําคัญว่าอยู่อิริยาบถใดถ้าเราไม่ทันมันทีไรเมื่อไหร่เราโดนหลอกโดนมันหลอกทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีไม่เห็นเรื่องจริงไม่เห็นของจริงเสร็จแล้วเราก็หลงแล้วก็เพลินแล้วก็ยึดไปตามมันแล้วก็ทุบไปตามมัน นี่แหละคือกองทุกสาเหตุให้เกิดทุกกองทุกมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นทุกระยะทุกเวลาแต่ว่าไอ้กองทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นะท่านบอกว่าไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่ต้นตอท่านให้ย้อนไปที่เหตุเหตุที่แท้จริงของมันก็คือการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือความอยากนั่นแหละสรุปลงมาแล้วคือความอยากดูไปที่ใจเราจะเห็นเห็นที่ใจของเรามันดิ่นเล็กๆๆมันอยากกระดูมันอยากข้าวอยากน้ํา อยากอารมณ์อยากรูปบางที่รูปที่ดิบที่ดีที่สวยที่สุดชอบใจที่สุดผ่านหูผ่านตาแวบไปหายเงียบไปโอ้ยเสียดายสันติ ก, ก, ก, ก, ก, กนั่นละ่ะตวอำนาจของความอยากความอยากมันเป็นอย่างนั้นเราเอาสติทําปัญญาทําจิ้มเข้าไปตรงนั้นเลยจิ้มใส่หัวมันให้มันเหือดแห้งละลายหายไปเลยลองจิ้มใส่ดูเหือดแห้งไปนะเหือดแห้งไปละลายไป จืดไปจางไปหายไปได้จริงเรารู้อะไรอย่างอื่นรู้หมดโลกธาตุไม่เท่าเรารู้จกักปัญหาที่เกิดขึ้นในใจของเราแม้ครั้งเดียวพอเรารู้ปั๊มันดับเรารู้ปั๊มันดับเรารู้ปั๊มันดับไปรู้ไปเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรู้เห็นมากมายมาหาศารแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าใจเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลต้นตอของมันเรามาเห็นตัณหามันดับในใจของเราแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราจะมีกําลังใจ จะมีผลมีประโยชน์มีอนิสงส์ที่สุดในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมเพราะทั้งนี้เป็นการชําระขัดเปล่าเป็นการปอกออกปอกอปอกความอยากนั่นแหละปอกออกจากใจของเราปอกออกจากจิตของเราปอกไปเลยปอกไปเลยปอกไปเลยคําว่าปอกมันก็เป็นคําอุปมาอุปไมคำว่าถอนก็เป็นอุปมาอุปไมคําว่าดับก็เป็นอุปมาอุปไมย คำว่าปล่อยวางก็เป็นคําอุปมาอุปไมยทั้งนั้นเลยมันเป็นกิจกรรของคําพูดแต่ถ้าเราเห็นมันภาพมันก็ดับทําไมมันถึงดับมันหมดความสงสัยแล้วรู้เหตุของมันแล้วก็เราไม่สงสัยบางบางสิ่งบางอย่างเราไม่ทราบไม่ทราบเหตุผลต้นต่อของมันเราสงสัยเกิดความสงสัยพราเกิดความสงสัยก็คาดกันเดาไปเรื่อยสะพุทะพื้ไม่จบพอเราไปทราบเหตุผลต้นต่อ ป, ปอั๊บอ๋อเท่านั้นเองหมด หมดกันไม่มีอะไรอ๋ออันนี้เองหมดกันไม่มีอะไรแต่ถ้าหากยังไม่เห็นก็คาดเดาไปไม่จบไม่สิ้นเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีคาดเดาไปไม่จบไม่สิ้นคาดยังไงมันก็ไม่สุดเพราะเราไม่ทราบเห็นเหตุเห็นผลต้นตอของมันนี่คือการปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับผลของการเข้าถึงธรรมการรู้ธรรมการเข้าใจธรรมการบรรลุธรรม เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในโลกมีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงสาวกที่ท่านถึงแล้วไปแล้วถึงแล้วท่านถึงความอัศจรรย์ท่านก็อัศจรรย์นในจิตของท่านถึงแม้ ว, ว่าท่านจะเล่าให้เราฟังพวกเราได้ยินได้ฟังก็ตามเราก็สับแต่ว่าฟังเฉยๆเพราะของจริงเป็นของท่านของปลอมเป็นของเรา มันยังไม่ได้ปรากฏชัดภายในใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทําตามแบบแผนทีท่ท่านบอกทีท่ท่านสอนทำตามแบบทําตามปฏิบัตปทาทีท่ท่านบอกทีท่ท่านสอนนี่แหละค่อย ๆ, ๆทําไปค่อยๆก้าวไปให้ความสําคัญในการศึกษาทําในการปฏิบัติทำให้มากเราอย่าไปท้อใจอย่าไปท้อใจกับสิ่ง น, นั้นกับสิ่ง น, นี้อย่าไปท้อใจกับคนนั้นกับคนนี้อย่าไปท้อใจกับดินฟ้าอากาศอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปท้อใจกับความเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ ศึกษามันทุกอย่างศึกษาทุกเรื่องการศึกษานี่แหละจะทําให้เรารู้จักขุดจักคุยจักคน้นจกักคว้าเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นต่อสติปัญญาก็เกิดขึ้นไปตามนี้เกิดขึ้นไปตามนี้เข้าใจไปตามนี้รู้ไปตามนี้ด้วยเหตุที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญานี่แหละวันคืนยืนเดินนั่งนอนเราก็แบกแต่กองทุกแต่ถ้าเรามีปัญญาปะ๊บมันแผลวพราวมันไม่มีความทุกข์ที่ไหนมันจะมากุ้มลมหัวใจรเรามันไม่มากุ้มลม มันสว่างสวไวสติปัญญามันเป็นตัววิ่งว่อนเพื่อปิดบังสิ่งที่เป็นมวลทินจะพึงมาเกาะจิตเกาะใจของเราให้จิตใจเราเศร้าหมองสติปัญญามันวิ่งว่อนเป็นตัวห้อมล้อมอยู่สิ่งเหล่านะั้นไม่ไม่สามารถจะมาลกุกมาคลายจิตใจของเราทำให้มวลทินต Tah ่างๆ่เหล่านั้นมาครอบคลุมจิตใจของเราได้มันสง่างามมันสว่างสไย ถจะว่าความสุขก็สุขสุกเต็มที่ถ้าจะว่าแผลาวก็แผลาวเต็มที่พูดเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อเป็นช่องทางเพื่อเป็นแนวทางแก่เราแก่ท่านพอได้ช่องได้ทางได้มึกได้คิดได้พิจารณาตามตั้งอกตั้งใจในการทุกคนทุกคนมีโอกาสเช่นอย่างกลางคืนอากาศมันดีเราก็ให้โอกาสให้โอกาสเต็มที่ให้โอกาส เต็มรอยไม่ใช่ให้โอกาสนิดหน่อย ห, ห่วงนั้นห่วงนี้ไอสิ่งที่เราห่วงก็ย้อนไปดูดิมีประโยชน์อะไรบ้างเ อ, อถ้ า, ามันเป็นเหตุจะต้องเสียการเสียงานเสียธุระหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปจัด ก, การเสร็จจัดการเสร็จเราก็ให้ความสําคัญกับงานภายในจิตของเราเนี่ยไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนจอมาที่จิตนี่แหละจอมาให้มันสงบจอมาให้มันรอบรู้ในกองสำคัญไม่ต้องสับสนไม่ต้องหุ่นวาย พิจารณาร่างกายก็พิจารณาให้เป็นอาการสามสิบสองก็ได้ก็พิจารณาเข้าไปพวกเราก็ท่องได้กันพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินคืออะไรมีลักษณะเป็นยังไงการที่เราพิจารณาอยู่อย่างนี้คือการไม่ทําใจให้ว่างเพราะถ้าเราทําใจให้ว่างจาะทำกิเลสจะดึงใจไปการที่เรามาอยู่กับรูปแบบนี้เป็นการมาคลี่คลายรูป มันเป็นการคลี่คลายเพื่อเห็นธรรมเพื่อรู้ธรรมเพื่อเข้าใจธรรมถ้าเราไม่เอามาอยู่กับรูปเราเปล่อยจิตอยู่เฉยๆอยู่กลางๆอ่าอยู่แบบขาดสติขาดสตังกกับแล้วมันพร้อมที่จะเอียงไปเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ไอ้สิ่งที่มันกาะ น, นั่นอนะล้วนตะกิเล่มันหลอกไปทั้งนั้นลระราวางให้ดีตัวสัญญาอารมณนะ์ยสั ญ, ญรูปสัญญาเสียงสัญญากลิ่นสัญญารสสัญญาสัมผัส สัญญาธรรมารมที่วาดเป็นมโนภาพเหมือนกับดูหนังนั่นแหละวาดไปไม่จบไม่สิ้นน่ะไม่รู้สึกตัวนั่นอ่ะวาดไปน่ะไม่รู้สึกตัวออกไปถึงไหนไปทําอะไรจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยล่อนจน้อนอ่ะกว่าจะรู้สึกเนื้อสึกตัวในหมดตัวลแล้วเกลื่อมันหลอกไปสัญญามันหลอกไปท่านจึงให้มีสติรู้สึกระลึกรู้สึกระลึก ร, ก ร, รู้ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจสติคือความระลึกได้ระลึกได้ระลึกอะไรอ่ะระลึกสิ่งที่มันสัมผัสต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นระลึกความรู้สึกก็ได้รู้สึกยังไงตาเห็นรูปปั๊บเกิดความรู้สึกยังไงถ้าหากยังไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้สัมผัสแต่ถ้าหากมันสัมผัสปั๊บมันจะเกิดความรู้สึกรู้สึกยังไงปั๊บระลึกปั๊บรู้สึกยังไงปั๊บระลึกปั๊บรู้สึกยังไงปั๊บระลึกปั๊บ ถ้าเราตั้งตัวได้เนี่ยมันก็ไปพร้อมๆกันรู้ไปพร้อมๆกันเห็นไปพร้อมๆกันแล้วก็ดับไปพร้อมๆกันดับอันนี้ดับอันนี้อันใหม่เกิดขึ้นดับอันนี้อันใหม่เกิดขึ้นทีสันที่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดที่ไหนก็เกิดที่อารมณ์นี่แหละเนื่องจากว่าจิตของเรามันเป็นนามธรรมมันวิ่งไปรับอารมณ์วิ่งรับอารมณ์รับอันนี้พอรับอันนี้จบพอรับอันนี้จบอันใหม่มันก็พร้อมมาอีก พ อ, อ น, นี้รับอันนี้จบอันใหม่ก็โผร่มาอีกรับอันนี้จบอันใหม่ก็โผร่มาอีกอท่านจึงให้มีสติกลับยับยับยับยับยับยับยับจ่อให้ยาวยืดพื้นไปเลยเพื่อดูเพื่อคลี่คลายเพื่อพิจารณาเพื่อคลี่คลายเพื่อพิจารณาถ้าเราไม่กลางดูสมว่าเราจะพิจารณาถ้าเราไม่มากลางพิจารณาเราจะทําไงเราจะดูยังไงออกไม่ใช่ว่าสัมผัสยับ แล้วก็ดับไปสัมผัสแยบแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ตามไม่ตามก็คือไม่จบเราต้องพิจรารณาแล้วก็ตามคลี่คลายไปใช้สติกำลังจด<ม>จ่อตามคลี่คลายไปตามคลี่คลายไปตามพิจารณาไปตามคลี่คลายไปภาคปฏิบัติที่เรารู้เราเห็นเข้าใจในใจของเรากับตัวหนังสือของนอกมันแตกต่างกันมากมันแตกต่างกันถ้าเรา เราพูดตามที่เราเข้าใจที่มันมีมันเป็นในใจของเราเนะี่ยมันจะแตกต่าง ก, กันกับตัวหนังสือที่เราไปดูไปเห็นมันจะแตกต่างกันมากมันแตกต่างกันยังไงเราก็ยอมรับตา ม, มนั้นเพราะอะไรก็เพราะความจริงที่ปรากฏเฉพาะใจของเราแต่ก็เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรอบรู้ในกองสังขารอันนี้ไม่ผิดถูกต้องเป็นไปเพื่อ อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นคือหลักศัจธรรมที่มีอยู่ยืนรองอยู่ยืนรองอยู่ทุก สังขารสังขารรูปสังขารนามอันนี้จังทุกขรังหน้าตายืนรองอยู่เราดูไปเห็นเห็นแล้วจะไปเจอตัวนี้แหละจะไปชนตัวนี้แหละคือความเปลี่ยนแปลงของมันความไม่คงที่ของมันในเมื่อมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปที่เรียกว่าอันนี้จังไม่คงที่ไม่คงเดิมเปลี่ยนแปลงไปลักษณะเปลี่ยนแปลงก็เป็นอันนี้จังการเปลี่ยนแปลงไปเป็นภาวะของมัน การไม่คงที่เป็นภาวะของมันใครทําอะไรมันไม่ได้บังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้นั่นคือภาวะของอนัตตาที่ธนว่าอนัตตาเราบังคับบัญชามันไม่ได้อนาตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอนัตตาแปลว่าเราบังคับบัญชามันไม่ได้โดยปกติของจิตน่ยมันชอบบังคับบัญชามันชอบบังคับบัญชาชอบบังคับบัญชาคนนั้นชอบบังคับบัญชาคนนี้เกณฑ์คนนั้นให้เปลียนไปตามใจเจ้าของอย่างนั้น เกณฑ์คนนี้ให้เป็นไปตามใจเจ้าของอย่างนี้ให้เขาทำให้ถูกใจอย่างนี้ให้เขาทำอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้ทำยังไงจะให้ถูกใจเจ้าของไปเกณฑ์ไปหมดเกณฑ์ให้เขาทำให้ถูกใจมันคนละเหตุมันคนละปัจจัยเราก็เหตุปัจจัยของเราเขาก็เหตุปัจจัยของเขาเราจะไปเกณฑ์ให้ถูกใจได้อย่างไรด้วยเหตุที่เกณฑ์ไม่ได้เป็นไปดั่งใจนี่แหละท่านเรียกว่าอนัตตานตา โดยเหตุที่เราเกณฑ์มาแล้วก็ไม่ถูกใจนี่แหละแบกองทุกเข้ามามีความทุกข์มาคอยทับถมจิตใจของเราทับถมอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบไม่สิ้นนี่เราดูที่อากาศดีเย็นดีเพราะอากาศเย็นแบบนี้เราก็ไปนึกถึงไอตอนที่มันร้อนๆเป็นไงนึกถึงร้อนๆบางทีเราก็เพลินไปตามอำนาของกิเลสมันว่าร้อนๆๆก็ทุกพอร้อนนี่แหละถ้าเป็นอำนาจทำเป็นไง ร้อนท่านก็ให้รู้ว่าร้อนร้อนออกร้อนรู้ว่าร้อนจิ้มไปที่ตัวร้อนมันก็หยุดมันก็จบบางทีอากาศพอดีพอดีเ พ, พลิ น, ลนแต่มันมันเอื้ออํานวยกับการที่เรานั่งภาวนานมันทําให้ร่างกายของเราพอดีพอดีมมดไม่หดหดไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายก็เป็นเหตุให้จิตสงบได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าร่างกายมันไม่รบ ก, กวน ว่าปกติเราก็นั่งภาวนาต่อหรือเดินจงกรมต่อเดินจงกรมถ้ามันมืดเกินไปให้จุดเทียนบางทีมันมี ง, งูบางทีมันมีหอยบางทีมันมีตะขาบเราจุดไปให้เห็นแต่ถ้าหากเราไม่กังวลกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ้ันเราไม่ต้องจุดแต่บางทีมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นนี่มันก็ไม่เป็นตารเดินเหมือนกันมันก็ไม่น่าเดิน เดินไปเข้าป่าเข้ารกเข้าปงถ้าเป็นที่สูงก็ตกขาหากักแท่งหกักก็ต้องระวังอุ้มกันช่วงไหนระยะไหนเวลาไหนที่จิตใจของเรามันอยากดๆคืออยากภาวนานให้เราให้ความสําคัญให้มากให้โอกาสเขาให้มากช่วงไหนเวลาดีเวลาปลอดเขาอยากเขาอยากนั่งจับให้มันนั่งเลยจับให้มันนั่งเลย ช่วงไหนก็อยากเดินเดินเดินจนเหนื่อยถ้าหากเกิดความรู้สึกมาเสริมความพาคความเพียรของเราเรารีบเร่งรีบทํารี บ, รบช่วยเอาเหมือนกับว่าน้ําขึ้นเราก็รีบตักเอารีบตักเอาเออเดี๋ยวสักก่อนเออเดี๋ยวสักก่อนเดี๋ยวสักก่อนเลยนั้นไปแล้วไม่อยากซ้ําอยากไปนั่งปล่อยหายใจ ล, ล, ยล่องลอยเพลินไปเพลินไปกับอะไรก็ไม่รู้แหละ ไม่ได้กำหนดจดเจาะเสียอีกเสียท่ามันอีกนี่ก็ต้องระวังให้ดีคนเราดีที่ใจนี่สุขก็สุขที่ใจดีก็ดีที่ใจดีที่เข้าใจเรื่องสัจจะไม่ใช่ดีที่เขาหลอกหลอกว่าเจ้าของดียังงั้นเจ้าของดีอย่างา ง, างี้พลอยมีความสุขไปที่เขาหลอกเขาหลอกแล้วไม่พอเราก็มาหลอกเราอีกเราดูเห็นความจริงที่ตัวเรา มีความสุขใจที่ตัวเรามีความพอใจกับการประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเข้ามารู้เห็นหลักสัจธรรมภายในหัวใจของเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทััพย์สมบัติมีมากมายแต่เราก็ใช้สอยแค่พออยู่พอกินพอเป็นพอไปท่านั้นเองถ้าเรามีธรรมแล้วเราก็มีความสุขได้เราก็มีความสุขใจได้มีมากมายมหาศาลถ้าเราไม่มีธรรมเราไม่เป็นธรรม ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแหลนะมันเอาทุกมาทับถมหัวใจของเราเอาสมบัติเหล่านั้นมนมาฆ่าตัวของตัวเราเราเห็นว่าบางคนมีสมบัติมากมายมหาศ า, ศาลเอาสมบัตินั้นมนเาเผาโลกเผาบ้านเผาเมืองให้เกิดความรุ่มร้อนให้เราร้อนไปจตามกันทุกคนเดียวแล้วไม่พอดึงคนอื่นมาทุกด้วยบาปคนเดียวแล้วไม่พอดึงคนอื่นมาบาปด้วย ตกมารบคนเดียวมันบอดดึงคนอื่นให้มาตกด้วยแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นในเมื่อมันเกินพอดีอย่างนั้นเอามาใช้สอยผิดที่ผิดทางอย่างนั้นสู้เรามีอยู่พอกินพอเป็นพอไปแต่ว่ามีความสุขใจมีบุญกุศลอยู่ที่ใจอย่างเต็มตื้นอันนี้จะเยี่ยมกว่าประเสริฐกว่าเอานละนะพอสมควรละ ยมคุงเทพชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้จี้ อ, อ๋ อ, จ, อจี้มาทําสหายบ้างวัดป่านู้นป่านี้มานานแล้วยั ง, งหลายปีแล้วอืมแล้วเป็นไงมาอยู่เนี่ยได้กำลังใจบ้างไหมได้กำลังใจบ้างก็ ยุ่งกำลังมีใจจะขอให้ได้กาลังใจให้โอกาสมากๆพเราจะมาล้างมือเปรบชุกมือเปรบรูบายอาจารย์ท่านแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านเรียนตายทั้งนั้นแหละเราทำแก่นี้ไปถึงอะไรท่านนั่งภาวนานาทีสิบนาทีโอ้จะได้อะไรท่านทําทั้งวันทั้งคืนนั่านทําทั้งวันทั้งคืนเวลามันหมุนไปแล้วเราทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจริงๆนะ ทำให้มากจริตนิสยัยบางคนก็ง่ายบางคนก็ยากบางคนก็หนักบางคนก็เบาบางคนก็เป็นง่ายบางคนก็เป็นยากแต่เราตั้งเป้าตั้งอดมคติไว้ไม่ถอนเราถอนทําไมในเมื่อเห็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วไม่ถอนไม่ปล่อยปละละห ว, วังไม่ถอนเอาอย่างเดียวเนี่ยนะหากมีความจําเป็นอย่างอื่นก็วกไปหมดทุลักทุเลไ ป, ะ ป, ะปก็วกเข้ามา หมดทุลักปะปังก็วกเข้ามานี่หลยอัตตาหิอั ต, อตนโนนาโถแต่แท้ลยใครก็ช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านพูดก็พอได้ยินได้ฟังเป็นกลวยหมายป้ายทางเท่านั้นแหละมันอย่างล้มตาท่านเล่าถึงปฏิปทาของท่านเมื่อกี้นี้พวกเราก็ฟังเป็นกลวยหมายป้ายทางเท่านั้นเละบางทีเราจำอบายของท่านได้เราก็มาทำทำทำทำทำทำทำเวลามันเกิดมันไม่เกิดเหมือนท่านไม่เป็นเหมือนท่าน แต่มันก็เป็นใกล้ๆนั้นแหล ะ, ะมันเป็นใกล้ๆนั้นแหละเพราะมันเป็นที่เราเอันนั้นของท่านอันนี้ของเรามันเป็นใกล้ๆกันนั่นแหละอากาศดีตอนไหนเมื่อไหร่ล้วก็อย่าปล่อยมันล่วงไปตั้งใจภาวนาเลยแค่เทานะถ้าเสียดายมากๆก็ไม่ต้องปล่อยจ่ออยู่นเนี่ยตลอดเี่ย ไม่ปล่อยมันแหะเรามาดูที่วันคืนล่วงไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยวันวันนี้ก็ไปงานศพแม่ท่านนุยนอายุเจ็ดสิบปีเด็กคนนั้นตายไปเด็กคนนี้ตายไปคนเก่าๆไปเกือบหมดพนยื้ไปนานอะไรเราแต่ละคนนี่มันดับรอยอยู่ข้างหน้านั่นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไ ป, ไปเจอมันนั่นะ เราโม่แต่ชะล่าใจโม่แต่ประมาทเวลาก็หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ประโยชน์ที่เราจะพึงทำให้เต็มที่มันก็ยังไม่ได้เต็มที่สิ่งที่เราพึงตั้งใจจะทำให้มันได้ก็ยังไม่ได้เราคิดถึงอย่างนี้คิดถึงเรื่อยๆคิดถึงบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเสียดายเวลาไม่ไปเสียเวลาคุยกันไม่ไปเสียเวลาปล่อยใจเลื่อนลอย ไม่ไปเสียเวลาหลับเวลานอนให้มากนอนเพื่อเอาแรงนอนพอเอาแรงบางทีไม่มีแรงตื่นมานอนภาวนายอยู่นั่นแหละลองดูที่นอนภาวนาลองดูที่ได้หรือไม่ได้ทําได้หรืไม่ได้ไปทำลองดูที่นอนภาวนาแต่ถ้ามีแรงก็ลุกกระลุกปั๊บมามาเดินมานั่งมาเลยไม่มีแรงนอนภาวนายยนะย ภาวนาจนหลับเทวดามันอยากหลับหลับไปหลับภาวนาหลับไปเลยถือมารู้สึกมาเอา้าวภาวนาวนอีกอัดเข้าไปอีกอยู่ขนาดนี้ไม่ประมาทอย่าไปทําตัวเลื่อนลอยอย่าไปทําตาลอยเลื่อนลอยลห้อยนี่ลุงตาเวลาท่านเห็นพวกเราลอยลอยจิตใจลอยตาลอยอะไรลอ ย, ลอยเนี่ยท่านเห็นอู้ท่านดูไม่ได้ อยู่ในท่าทีที่กำหนดจดจออยู่ตลอดเอานะตั้งใจทำเอาไปเลิก